ท่านอาจารย์มั่นและท่านอาจารย์เสานั้นสบายกว่าในสมัยนี้มากไม่มีความวุ่นวายมากเหมือนอย่างทุกวันนี้สมัยโน้นพระไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับพิธีรีตรองต่างๆเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ท่านอาศัยอยู่ตามป่าไม่ได้อยู่เป็นที่หรอทุดงไปที่โนนทุดงไปนี่เรื่อยไปท่านใช้เวลาของท่านปฏิบัติภาวนาอย่างเต็มที่ สมัยโน้นนะพระท่านไม่ได้มีข้าวของฟุ่มเฟือยมากมายอย่างที่มีกันทุกวันนี้หรอกเพราะมันยังไม่มีอะไรมากอย่างเดี๋ยวนี้กระบอกน้ำก็ทำเอากระโถนก็ทำเอาทำอาจากไม้ไผ่นั่นแหละชาวบ้านก็นานๆจึงจะมาหาสักทีความจริงพระท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไรท่านสันโดษกับสิ่งที่ท่านมี ท่านอยู่ไปปฏิบัติภาวนาไปหายใจเป็นกรรมฐานอยู่นั่นแหละพระท่านได้รับความลำบากมากอยู่เหมือนกันในการที่อยู่ตามป่าตามเขาอย่างนั้นถ้าองค์ใดเป็นไข้ป่าไข้ามาลาเรียไปถามหาขออยู่ยาอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ต้องฉันยาหรอกเร่งปฏิบัติภาวนาเขาเถอะ ความจริงสมัยนั้นไม่มีอยู่ย่ามากอย่างสมัยนี้มีแต่สมุนไพรารากไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าพระต้องอยู่อย่างอดอย่างทนเหลือหลายในสมัยนั้นเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆท่านก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวนี้จะเจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยก็วิ่งไปโรงพยาบาลแล้วบางทีต้องเดินบินทบาททั้งห้ากิโล พอฟ้าสางก็ต้องรีบออกจากวัดแล้วกว่าจะกลับค็นอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงนอนแล้วก็ไม่ใช่บินทบาทได้อะไรมากมายบางทีก็ได้ข้าวเหนียวสกักก้อนเกลือสักหน่อยพริกสักนิดเท่านั้นเองได้อะไรมาฉันกับข้าวหรือไม่ก็ตามท่านไม่คิดเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองไม่มีองค์ใดกล้าบ่นว่าหิวหรือเพลียท่านไม่บน่นเฝ้าแต่ระมัดระวังตน ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าอย่างอดทนอันตรายก็มีรอบด้านสัตว์ดุร้ายก็มีอยู่หลายในป่านั้นความยากลำบากกายลำบากใจในการอยู่ทุ่ดงก็มีอยู่หลายแท้ๆแต่ท่านก็มีความอดความทนเป็นเลิศเพราะสิ่งแวดล้อมสมัยนั้นบังคับให้เป็นอย่างนั้น มาสมัยนี้สิ่งแวดล้อมบังคับเราไปในทางตรงกันข้ามกับสมัยนูน้นไปไหนเราก็เดินไปต่อมาก็นั่งเกวียนแล้วก็นั่งรถยนต์แต่ความทยานอยากมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเรเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่รถปรับอากาศก็จะไม่ยอมนั่งดูจะไปเอาไม่ได้ทีเดียวถ้ารถนั้นไม่ปรับอากาศคุณธรรมในเรื่องความอดทนมันก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงการปฏิบัติภาวนาก็ย่นลงไปมาก เดี๋ยวนี้เราจึงเห็นนักปฏิบัติภาวนาชอบทําตามความเห็นความต้องการของตัวเองเมื่อปูเท่าวูแก่พูดถึงเรื่องเก่าๆแต่ครั้งก่อนคนเดี๋ยวนี้ฟังเหมือนว่าเป็นนิทานนิยายฟังไปเฉยๆแต่ก็ไม่เข้าใจเลยแหละเพราะมันเข้าไม่ถึง พระภิกษุที่บวชในสมัยก่อนนั้นจะต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์อย่างน้อยห้าปีนี่เป็นระเบียบที่ถือกันมาและต้องพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่าปล่อยตัวเที่ยวพูดคุยมากเกินไปอย่าอ่านหนังสือแต่ให้อ่านใจของตัวเองดูวัดหนองป่าพงเป็นตัวอย่าง ทุกวันนี้มีพวกที่จบจากมหาวิทยาลัยมาบวชกันมากต้องคอยห้ามไม่ให้เอาเวลาไปอ่านหนังสือธรรมะเพราะคนพวกนี้ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ได้อ่านหนังสือมามากแล้วแต่โอกาสที่จะอ่านใจของตัวเองนะ่ะหายากมากฉะนั้นระหว่างที่มาบวชสามเดือนนี่ก็ต้องขอให้ปิดหนังสือปิดตำรับตำราต่างๆให้หมดในระหว่างที่บวชเนี่ยนะเป็นโอกาสวิเศษแล้วที่จะได้อ่านใจของตัวเอง การตามดูใจของตัวเองเนี่ยน่าสนใจมากใจที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ต้องคอยวิ่งไปตามนิสัยเคยชินที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมมันเต้นคึกคักไปตามเรื่องตามราวตามความขนองเพราะมันยังไม่เคยถูกฝึกดังนั้นจงฝึกจิตใจของตัวเองการปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติเรื่องใจฝึกจิตฝึกใจของตัว ฝึกอบรมจิตของตัวเองนี่แหละเรื่องนี้สำคัญมากการฝึกใจเป็นหลักสำคัญพุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจมันมีเท่านี้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติทางจิตคือผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาใจของเรานี่มันอยู่ในกรง ยิ่งกว่านั้นมันยังมีเสือที่กําลังอารวาดอยู่ในกรงนั้นด้วยใจที่มันเอาแต่ใจของเราเนี่ยถ้าหากมันไม่ได้อะไรตามที่มันต้องการนะมันก็อารวาดเราจะต้องอบรมใจด้วยการปฏิบัติภาวนาด้วยสมาธินี่แหละที่เราเรียกว่าการฝึกใจ ในเบื้องต้นของการฝึกปฏิบัติธรรมจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานหรือรากฐานศีลนี้เป็นสิ่งอบรมกายวาจาซึ่งบางทีก็จะเกิดการวุ่นวายขึ้นในใจเหมือนกันเมื่อเราพยายามจะบังคับใจไม่ให้ทำตามความอยากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนิสัยความเคยชินอย่างลกกลก ลดมันลงอย่ายอมตามความอยากอย่ายอมตามความติดของตนหยุดเป็นทาสมันซะพยายามต่อสู้เอาชนะอวิชชาให้ได้ด้วยการบังคับตัวเองเสมอนี่เรียกว่าศีลเมื่อพยายามบังคับจิตของตัวเองนั้นจิตมันก็จะดิ้นรนต่อสู้มันจะรู้สึกถูกจํากัดถูกข่มขี่ เมื่อมันไม่ได้ทำตามที่มันอยากมันก็จะกระวนกระวายดิ้นรนทีนี้เห็นทุกชัดแล้วทุกขเป็นข้อแรกของอริยสัจคนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวกลัวทุกอยาาหนีทุกไม่อยากให้มีทุกเลยความจริงทุกนี่แหละจะทำให้เราฉลาดขึ้นล่ะทำให้เกิดปัญญาทำให้เรารู้จักพิจารณาทุก สุกนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเรามันจะทําให้ไม่รู้จักกดไม่รู้จักทนความสุขความสบายทั้งหลายจะทําให้เราประมาทกิเลสสองตัวเนี่ทุกเห็นได้ง่ายดังนั้นเราจึงต้องเอาทุกนี่แหละมาพิจารณาแล้วพยายามทําความดับทุกข์ให้ได้แต่ก่อนจะปฏิบัติภาวนาก็ต้องรู้จักซะก่อนว่า กคืออะไรตอนแรกเราจะต้องฝึกใจของเราอย่างนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงทำไปทำไปก่อนฉะนั้นเมื่อครูอาจารย์บอกให้ทำอย่างใดก็ทำตามไปก่อนแล้วก็จะค่อยมีความอดทนอดกลั้นขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นอย่างไรให้อดทนอดกลั้นเลยก่อนเพราะมันเป็นอย่ังไร อย่างเช่นเมื่อเริ่มฝึกนั่งสมาธิเราก็ต้องการความสงบทีเดียวแต่ก็จะไม่ได้ความสงบเพราะมันยังไม่เคยทำสมาธิมาก่อนใจก็บอกว่าจะนั่งอย่างนี้แหละจนกว่าจะได้ความสงบแต่พอความสงบไม่เกิดก็เป็นถุก็เลยลุกขึ้นวิ่งหนีการปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นการพัฒนาจิตแต่มันเป็นการทอดทิ้งจิต ไม่ควรจะปล่อยใจไปตามอารมณ์ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขี้เกียจก็ช่างขยันก็ช่างให้ปฏิบัติมันไปเรื่อยๆลองคิดดูสิทำอย่างนี้จะไม่ดีกว่าการปล่อยใจตามอารมณ์นั้นจะไม่มีวันถึงคําของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติทน ไม่ว่าอารมณ์ใดจะเกิดขึ้นก็ช่างนแต่ให้ปฏิบัติไปเรืเร่อยๆปฏิบัติให้สม่ำเสมอการตามใจตัวเองไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติทำตามความคิดความเห็นของเราเราจะไม่มีวันรู้แจ้งว่าอันใดผิดอันใดถูกจะไม่มีวันรู้จักใจของตัวเองและไม่มีวันรู้จักตัวเองดังนั้น ถ้าปฏิบัติทำตามแนวทางของตนเองแล้วย่อมเป็นการเสียเวลามากที่สุดแต่การปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นหนทางตรงที่สุดขอให้จำไว้ว่าถึงจะขี้เกียจก็ให้พยายามปฏิบัติไปขยันก็ให้ปฏิบัติไปทุกเวลาและทุกคนทุกแห่ง นี่จึงจะเรียกว่าการพัฒนาจิตถ้าหากปฏิบัติตามความคิดความเห็นของตนเองก็จะเกิดความคิดความสงสัยไปมากมายมันจะพาให้คิดไปว่าเราไม่มีบุญเราไม่มีวาสนาปฏิบัติธรรมก็นานนักหนาแล้วยังไม่รู้ยังไม่เห็นธรรมเลยสักทีการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตแต่เป็นการพัฒนาความหายนักของจิต ถ้าเมื่อใดที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้ว่ายังไม่รู้อะไรยังไม่เห็นอะไรยังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างเลยนี่ก็เพราะที่ปฏิบัติมามันผิดไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอา น, นุ์ปฏิบัติให้มากทาให้มาก แล้วจะสิ้นสงสัยความสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีด้วยการคาดคะเนหรือด้วยการถกเทียงกันหรือจะอยู่เฉยๆไม่ปฏิบัติภาวนาเลยความสงสัยก็หายไปไม่ได้เหมือนกันกิเลสจะหายสิ้นไปได้ก็ด้วยการพัฒนาทางจิตซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น การปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงกันข้ามกับผลทางของโลกอย่างสิ้นเชิงคำสั่งสอนของพระองค์มาจากพระไตรยอันบริสุทธิ์ที่ไม่ข้องเกี่ยวกับกิเลสอาสวัตทั้งหลายนี่คือแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราต้องทำใจของเราให้เป็นธรรมไม่ใช่เอาธรรมะมาตามใจเรา ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ทุกก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครสักคนหรอกที่จะพ้นทุกไปได้พอเริ่มปฏิบัติทุกก็อยู่ตรงนั้นแล้วหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีสติสัมรวมและสันโดษสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราหยุดคือเลิกนิสัยความเคยชินที่เคยทํามาแต่ก่ อ, กอนทําไมถึงต้องทําอย่าง ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ฝึกฝนอบรมใจของตนเองแล้วมันก็จะคึกขนองวุ่นวายไปตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของใจนี้มันฝึกกันได้เอามาใช้ประโยชน์ได้เปรียบได้กับต้นไม้ในป่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมันเราก็จะเอามันมาสร้างบ้านไม่ได้จะเอามาทำแผ่นกระดานก็ไม่ได้หรือทาอะไรอย่างอื่นที่จะใช้สร้างบ้านก็ไม่ได้ แต่ถ้าช่างไม้ผ่านมาต้องการไม้ไปสร้างบ้านเขาก็จะมองหาต้นไม้ในป่านี้แล้วตัดต้นไม้ในป่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ช้าเขาก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยการปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก um, ็คล้ายกันนี้ก็ต้องเอาใจที่ยังไม่ได้ฝึกเหมือนไม้ในป่านี้มาฝึกมัน จนมันละเอียดประนีขึ้นรู้ขึ้นและว่องไวขึ้นทุกอย่างมันเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของมันเมื่อเรารู้จักธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเราก็เปลี่ยนมันได้ทิ้งมันก็ได้ปล่อยมันไปก็ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปธรรมชาติของใจเรามันก็อย่างนั้น เมื่อใดที่เกาะเกี่ยวกูกพันยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนเดี๋ยวมันก็จะวิ่งวุ่นไปโน่นไปนี่พอมันวุ่นวายสับสนมากๆเข้าเราก็คิดว่าคงจะฝึกอบรมมันไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นผู้นี่ก็เพราะไม่เข้าใจว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองความคิดความรู้สึกมันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้แม้เราจะพยายามฝึกปฏิบัติพยายามให้มันสงบมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อเราติดตามทิ่จรณาดูธรรมชาติของใจอยู่บ่อยๆ <c oughs> ก็จะค่อยๆเข้าใจว่าธรรมชาติของใจมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าเราเห็นอันนี้ชัดเราก็จะทิ้งความคิดความรู้สึกอย่างนั้นได้ทีนี้ก็ไม่ต้องคิดนั่นคิดนี่อีกคอยแต่บอกตัวเองไว้อย่างเดียวว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง พอเข้าใจได้ชัดเห็นแจมแจ้งอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะปล่อยอะไรๆ ไ, ได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าความคิดความรู้สึกมันจะหายไปมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันหมดอำนาจสแล้วเปรียบเหมือนกับเด็กที่ชอบสนเล่นสนุกทำให้รำคาญจนเราต้องดุเอาตีเอาแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กก็เป็นอย่างนั้นเอง พอรู้อย่างนี้เราก็ปล่อยให้เด็กเล่นไปตามเรื่องของเด็กความเดือดร้อนวุคาญของเราก็หมดไปมันหมดไปได้อย่างไรก็เพราะเรายอมรับธรรมชาติของเด็กความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนและเรายอมรับธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเราปล่อยวางจิตของเราก็มีความสงบเยือกเย็นนี่เรามีความเข้าใจอันถูกต้องแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แม้จะไปอยู่ในถ้ำลึกมืดสักเท่าใดใจมันก็ยังยุ่งเหยิงอยู่ใจจะสงบได้ก็ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นทีนี้ก็หมดปัญหาจะต้องแก่เพราะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้เราไม่ชอบมันเราปล่อยวางมันเมื่อใดที่ความรู้สึกเกาะเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้น เราปล่อยวางทันทีพอรู้แล้วว่าความรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะกวนเราแม้บางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงความรู้สึกนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเราปล่อยวางมันเสียงรูปก็เป็นสักว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียง กลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรถก็สักแต่ว่ารถโหทัพทะก็สักแต่ว่าโทพทัพทะทัานมารุมก็สักแต่ว่าทัานมารมุมเปรียบเหมือนน้ำมันกับน้ำท่าถ้าเราเอาน้ำมันกับน้ำท่าทั้งสองอย่างเทใส่ขวดเดียวกันมันก็ไม่ปนกันเพราะธรรมชาติมันต่างกันเหมือนกับคนที่ฉลาดกับคนที่โง่งต่างกัน พระพุทธเจ้าก็ทรงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระทันมารแต่พระองค์ทรงเป็นพระอาราหันต์พระองค์จึงทรงเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งสักว่าเท่านั้นพระองค์ทรงปล่อยวางมันไปเรื่อยๆตั้งแต่ทรงเข้าพระไถ่แล้วว่าใจก็สักว่าใจความคิดก็สักว่าความคิดพระองค์ไม่ทรงเอามันมาปนกันใจก็สักว่าใจความคิดความรู้สึกก็สักว่าความคิดความรู้สึก ปล่อยให้มันเป็นเพียงสิ่งสักว่ารูปก็สักว่ารูปเสียงก็สักว่าเสียงความคิดก็สักว่าความคิดจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นทำไมถ้าคิดได้รู้สึกได้อย่างนี้เราก็จะแยกมันได้ความคิดความรู้สึกอยู่ทางใจก็อยู่ทั้งเหมือนกับน้ำมันกับน้ำท่าอยู่ในโขวดเดียวกันแต่มันแยกกันอยู่ พุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระองค์ก็อยู่ร่วมกับบุตุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้ธรรมท่านไม่ได้เพียงอยู่ร่วมเท่านั้นแต่ท่านยังสอนคนเหล่านั้นทั้งคนฉลาดคนโง่ให้รู้จักวิธีที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและรู้แจ้งในธรรมท่านสอนได้เพราะท่านได้ปฏิบัติมาเองท่านรู้ว่ามันเป็นเรื่องของใจเท่านั้นเหมือนอย่างที่ได้พูดนันี้ ดังนั้นการปฏิบัติภาวนานี้อย่าไปสงสัยเลยเราหนีจากบ้านมาบวชไม่ใช่หนีมาอยู่กับความหลงหรืออยู่กับความขาดของความกลวัวแต่หนีมาเพื่อฝึกอบรมตัวเองเพื่อเป็นนายตัวเองชนะตัวถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะปฏิบัติทำได้ธรรมะก็จะจำชัดขึ้นในใจของ ผู้ที่เข้าใจธรร ม, มะก็เข้าใจตัวเองใครเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรร ม, มะทุกวันนี้ก็เหลือแต่เปลือกของธรร ม, มะเท่านั้นความเป็นจริงแล้วธรร ม, มะมีอยู่ทุกขนทุกแห่งไม่จําเป็นที่จะต้องหนีไปไหนถ้าจะหนีก็ให้หนีด้วยความฉลาดด้วยปัญญาหนีด้วยความชํานิชํนานาญอย่าหนีด้วยความโง่ถ้าเราต้องการความสงบก็ให้สงบด้วยความฉลาดด้วยปัญญาเท่านั้นก็พอ เมื่อใดที่เราเห็นธรรมะนั่นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้วกิเลสก็สักแต่ว่ากิเลสใจก็สักแต่ว่าใจเมื่อใดที่เราทิ้งได้ปล่อยวางได้แยกได้เมื่อนั้นมันก็เป็นเพียงสิ่งสักว่าเป็นเพียงอย่างนี้อย่างนั้นสำหรับเราเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นถูกแล้วก็จะมีแต่ความปลอดปโปรง่งความเป็นอิสระตลอดเวลา พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านอย่ายึดมั่นในธรรมธรรมะคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะความรักความเกลียดก็เป็นธรรมะความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมะความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็เป็นธรรมะ เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจอันนี้เราก็ปล่อยวางได้ดังนั้นก็ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่วาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราในจิตเราในร่างกายของเรามีแต่ความแปรเปลี่ยนไปทางนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงสอนพระสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนไม่ให้ปฏิบัติเพื่อสะสม ถ้าเราทำตามคำสอนของพระองค์เราก็ถูกเท่านั้นแหละเราอยู่ในทางที่ถูกแล้วแต่บางทีก็ยังมีความวุ่นวายเหมือนกันไม่ใช่คำสอนของพระองค์ทำให้วุ่นวายกิเลส ข, ของเราเนินแหละที่ทำให้มันวุ่นวายมันมาบังคับความเข้าใจอันถูกต้องเสียก็เลยทำให้เราวุ่นวายความจริงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรลำบาไม่มีอะไรยุ่งยาก การปฏิบัติตามทางของพระองค์ไม่มีทุกเพราะทางของพระองค์คือปล่อยวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติภาวนานั้นท่านทรงสอนให้ปล่อยวางอย่าแบกถืออะไรให้มันหนักทิ้งมันเสความดีก็ทิ้งความถูกต้องก็ทิ้งคำว่าทิ้งหรือปล่อยวางไม่ใช่ไม่ต้องปฏิบัติแต่หมายความว่าให้ปฏิบัติการละการปล่อยวางนั่นแหละ ะองค์ทรงสอนให้พิจารณาธรรมทั้งหลายที่กายที่ใจของเราธรรมะไม่ได้ไกลที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละดังนั้นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจังให้ใจมันผ่องใสขึ้นสว่างขึ้นให้ใจมันเป็นอิสระทำความดีอะไรแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปยึดไว้หรืองดเว้นการทำชั่วได้แล้วก็ปล่อย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่กับอดีตรหรืออนาคตคำสอนที่เข้าใจกันผิดแล้วก็ถกเถียงกันมากที่สุดตามความคิดเห็นของตนก็คือเรื่องการปล่อยวางหรือการทำงานด้วยจิตว่างนี่แหละการพูดอย่างนี้เรียกว่าพูดภาษาธรรม เมื่อเอามาคิดเป็นภาษาโลกมันก็เลยยุ่งแล้วก็ตีความหมายว่าอย่างนั้นทำอะไรก็ได้ตามใจชอบละสิความจริงมันหมายความอย่างนี้อุปมาเหมือนว่าเราแบกก้อนหินหนักอยู่ก้อนนึ่นแบกไปก็รู้สึกหนักแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็ได้แต่แบกอยู่อย่างนั้นไงพอมีใครบอกว่าให้โยนมันทิ้งไปสิก็มาคิดอีกแล้วว่าเออถ้าเราโยนมันทิ้งไปแล้วเราก็ไม่เหลืออะไร เราก็ไม่มีอะไรเหลือสก็เลยแบกอยู่อย่างนั้นไม่ยอมทิ้งถ้าจะมีใครบอกว่าโยนทิ้งไปเถอะแล้วจะดีเองแล้วจะดีอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างนีน้เราก็ยังไม่ยอมโยนทิ้งอยู่แล้วเ น, นีเพราะกลัวแต่ว่าจะไม่มีอะไรเหลือก็เลยแบกก้อน ห, หนักๆจนเหนื่อยอ่อนเลียเต็มทีจนแบกไม่ไหวแล้วก็เลยปล่อยมันตกลง ตอนที่ปล่อยมันตกลงนี่แหละก็จะเกิดความรู้เรื่องการปล่อยวางขึ้นมาเองเราจะรู้สึกเบาสบายแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่าการแบกก้อนหินนั้นมันหนักเพียงใดแต่ตอนที่เราแบกอยู่นั้นเราไม่รู้หรอกว่าการปล่อยวางมีประโยชน์เพียงใด ดังนั้นถ้ามีใครมาบอกให้ปล่อยวางคนที่ยังมืดอยู่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะหลับหูหลับตาแบกก้อนหินก้อนนั้นยังไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งมันหนักจนเหลือที่จะทนถึงจะยอมปล่อยแล้วก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่ามันเบามันสบายแค่ไหนที่ปล่อยมันไปได้ต่อมาเราอาจจะไปแบกอะไรอีกก็ได้แต่ตอนนี้เราพอรู้แล้วว่า ผลของการแบกนั้นมันเป็นอย่างไรเราก็จะปล่อยวางมันได้โดยง่ายขึ้นความเข้าใจในความไร้ประโยชน์ของการแบกหามและความเบาสบายของการปล่อยวางนี่แคือตัวอย่างที่แสดงให้ถึงการรู้จักตัวเองความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราก็เหมือนก้อนหินหนักก้อนนั้นพอคิดว่าจะปล่อย ตัวเราก็เกิดความกลัวว่าปล่อยไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับที่ไม่ยอมปล่อยก้อนนี ก, ก้อนนั้นแต่ในที่สุดเมื่อปล่อยมันไปได้เราก็จะรู้สึกเองถึงความเบาสบายในการที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมันในการฝึกใจนี้เราต้องไม่ยึดมั่นทั้งสรรเสริญทั้งนินทาความต้องการแต่สรรเสริญ และไม่ต้องการนินทานเป็นวิถีทางของโลกแต่แนวทางของพระพุทธเจ้าให้รับสรรเสริญตามเหตุตามปัจจัยของมันและก็ให้รับนินทาตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือ น, นอนย่างการเลี้ยงเด็กบางทีถ้าเราไม่ดุเด็กตลอดเวลามันก็ดีเหมือนกันผู้ใหญ่บางคนดุมากเกินไปผู้ใหญ่ที่ฉลาดย่อมรู้จักว่าเมื่อใดควรดุเมื่อใดควรชม ใจของเราก็เหมือนกันใช้ปัญญาเรียนรู้จังใจใช้ความฉลาดรักษาใจแล้วเราก็จะเป็นคนฉลาดที่รู้จักฝึกใจเมื่อฝึกบ่อยๆมันก็จะสามารถกำจัดทุกได้ความทุกเกิดขึ้นที่ใจเนี่มันทำให้ใจสับสนมืดมัวมันเกิดขึ้นที่นี่มันก็ตายที่นี่เรื่องของใจมันเป็นยัง บางทีก็คิดดีบางทีก็คิดชั่วใจมันหลอกลวงเป็นมายาจงอย่าไว้ใจแต่จงมองเข้าไปที่ใจมองให้เห็นความเป็นอยู่อย่างนั้นของมันยอมรับมันทั้งนั้นทั้งใจดีใจชั่วเพราะว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นของมันอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราไปยึดมันเข้าเราก็จะถูกมันกัดเอแล้วเราก็เป็นทุกข์ ถ้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีแต่ความสงบจะเป็นสมาธิจะมีความฉลาดไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนก็จะมีแต่ความสงบไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็จะมีแต่ความสงบวันนี้ท่านภิกษุชาตวันตกได้พาลูกศิษย์มาฟังธรรม ท่านอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอัตมาได้พูดเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายท่านจะได้คิดว่าถูกหรือไม่ก็ตามก็ขอให้ท่านลองนําไปพิจารณาดูอัตมาในฐานะอาจารย์องค์หนึ่งก็อยู่ในฐานะ ค, คล้ายๆกันอัตมาเองก็อยากฟังธรรมเหมือนกันเพราไม่ว่าอัตมาไปที่ไหนก็ต้องไปแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังแต่ตัวเองไม่ได้มีโอกาสฟังเลยคราวนี้ก็ดูท่านพอใจในการฟังธรรมอยู่ เวลาผ่านไปเร็วเมื่อท่านนั่งฟังอย่างเงียบๆเพราะท่านกำลังกระหายธรรมะท่านจึงต้องการฟังเมื่อก่อนนี้การแสดงธรรมก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างแต่ต่อมาความเพลิดเพลินก็ค่อยหายไปรู้สึกเหนื่อยและเบื่อก็กลับอยากเป็นผู้ฟังมาก เพราเมื่อฟังธรรมจากครูอาจารย์นั้นมันเข้าใจง่ายและมีกำลังใจแต่เมื่อเราแก่ขึ้นมีความหิวกระหายในธรรมะรสชาติของมันก็ยิ่งอริดอร่อยมากขึ้น <också> การเป็นครูอาจารย์ของผู้อื่นนะัจะต้องเป็นตัวอย่างแก่พระภิกษุกอื่นๆเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์เป็นตัวอย่างแก่ทุกคนฉะนั้นอย่าลืมตนเองแล้วก็อย่าคิดถึงตนเอง ถ้าความคิดอย่างนั้นเกิดขึ้นรีบกำจัดมันเสียถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองวิธีปฏิบัติธรรมมีมากมายเป็นล้านๆวิธีพูดเรื่องการภาวนาไม่มีที่จบสิ่งที่จะทำให้เกิดความสงสัยมีมากมายหลายอย่าง แต่จะให้กวาดออกมันไปเรื่อยๆกวาดมันออกไปเรื่อยๆแล้วจะไม่เหลือความสงสัยเมื่อเรามีความเข้าใจถูกต้องเช่นนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินก็มีแต่ความสงบความสบายไม่ว่าจะปฏิบัติภาวนาที่ไหนให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าถือว่าจะปฏิบัติภาวนาแต่เฉพาะขณะนั่งหรือเดินเท่านั้นทุกสิง่งทุกอย่างทุกคนทุกแห่งเป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้น ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้มีสติอยู่ให้เห็นการเกิดดับของกายและใจแต่อย่าให้มันมาทำใจให้วุ่นวายให้ปล่อยวางมันไปความรักก็เกิดขึ้นก็ปล่อยวางมันไปมันมาจากไหนก็ให้มันกลับไปที่นั่นความโลภเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปตามมันไปตามดูว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วตามไปส่งมันใหถึงที่อย่าเก็บมันไว้สักอย่าง ถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ท่านก็จะเหมือนกับบ้านว่างหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่คือใจว่างเป็นใจที่ว่างและอิสระจากกิเลสความชั่วทั้งหลายเราเรียกว่าใจว่างแต่ไม่ใช่ว่างเหมือนว่าไม่มีอะไรมันว่างจากกิเลสแต่เต็มไปด้วยความฉลาดด้วยปัญญาฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาจะมีแต่ปัญญาเท่านั้น นี่เป็นคำสอนที่อาตมาขอมอบให้ในวันนี้ถ้าการฟังธรรมทำให้ใจท่านสงบก็ดีแล้วไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรบางท่านอาจจะไม่เชื่อถ้าเราทําใจให้สงมบมฟังแล้วก็ไม่ให้ผ่านไปแต่นำมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เราก็เหมือนเครื่องบันทึกเสียงเมื่อเราเปิดมันมันก็อยู่ตรงนั้นอย่า ก, กลัวว่าจะไม่มีอะไรเมื่อใดที่ท่านเปิดเครื่องบันทึกเสียงของท่านทุกอย่างก็อยู่ในนั้น อมอบธรรมะนี้ต่อพระพิกสุทุกรูปและต่อทุกคนบางท่านอาจจะรู้ภาษาไทยเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรให้ท่านเรียนภาษาธรรมเถิดเท่านี้ก็ดีเพียงพอแล้วครับจบที่ตรงไหนรู้ไหมหรือท่านจะเรียนอย่างนี้เรื่อยไปงั้นแบบหรือท่านเรียนมีที่จบอันนั้นก็ดีแต่มันเป็นปริยัติข้างนอกไม่ใช่ปริยัติข้างใน ปริยัตข้างในจะต้องเรียนตาขอเราหูนี่จมูกนลิ้นน่กายจิตอันนี้เป็นปริยัตที่แท้อันนั้นปริยัตเป็นตัวหนังสืออยู่ข้างนอกเรียนจบได้ยากตาเห็นรูปมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรหูฟังเสียงมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรจมูกดมกลิ่น ม, มีอาการเกิดขึ้นอย่างไรลิ้นลิ้มรสมีอาการเกิดขึ้นอย่างไร โหดทัพพะกับกายกระทบกันนั้นมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรอารมณ์ที่รู้ทางใจนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรยังมีโลภไหมยังมีโกรธไหมยังมีหมงมลงอยู่นั่นไหมหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสโหดทัพพระทันมารณ์ที่เกิดนั่นไหมอันนี้เป็นปริยัตข้างในเรียนจบง่ายง่ายเรียนจบได้ปริยัตข้างนอกเรียนจบไม่ได้ มันหลายตู้ถ้าเราเรียนปริยัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้รับผลเหมือนกับคนเลี้ยงโคตอนเช้าก็ต้อนโคออกไปกินหญ้าตอนเย็นก็ต้อนโคมาเข้าคอกเท่านั้นแต่ไม่เคยได้กินน้ำนมโคดีแต่ว่าได้ต้อนออกไปจากคอกตอนเช้าแล้วก็ต้อนโคเข้ามาเท่านั้นไม่เคยกินน้ำนมโคเลยแต่นั่นเรียนก็ดีเรแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้น ให้ได้เลี้ยงโคด้วยได้กินน้ำนมโคด้วยนี่ก็ต้องเรียนให้รู้ด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยถึงจะถูกต้องดีนี่พูดให้รู้เรื่องก็ว่าเหมือนคนเลี้ยงไก่ไม่ได้กินไข่ไก่ได้แต่ขี้ไก่อันนี้พูดให้คนที่เลี้ยงไก่นั่นหรอกไม่ได้พูดให้โยมนะพูดให้คนเลี้ยงไก่ระวังอย่าให้เป็นอย่างนั้น ก็เหมือนว่าเราเรียนปริยัติได้แต่ไม่ได้รู้จักลากิเลสไม่รู้จักความโลภความโกรธความหลงออกจากใจของเราได้แต่เรียนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ละไม่ได้ละมันก็ไม่เกิดประโยชน์จึงได้เปรียบว่าคนเลี้ยงไก่ไม่ได้กินไข่ไก่ได้ได้แต่ขี้ไก่เหมือนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงต้องการให้เรียนปริยัตเพียงพอรู้ ที่สําคัญคือเรียนแล้วให้ปฏิบัติปฏิบัติละความชั่วออกจากกายวาจาใจของเราแล้วประพฤติคุณงามความดีไว้ที่กายวาจาใจของเราเท่านั้นคุณสมบัติของมนุษย์ที่จะบริบูรณ์นั้นก็คือสมบูรณ์ด้วยกายวาจาและใจกายวาจาใจจะสมบูรณ์นั้นเช่นว่าพูดดีเฉยๆก็ไม่สมบูรณ์ทําให้กระทำต่างทําดีแต่กายเฉยๆ ใจนั้นไม่ดีนั่นก็ไม่สมบูรณ์พระพุทธองค์ทรงสอนให้ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายงามวาจางามใจงามเป็นสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุดนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเรียนก็ต้องดีปฏิบัติก็ต้องดีละกิเลส ก, ก็ต้องดีสมบูรณ์อย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าหมายถึงมรร คือหนทางที่เราจะปฏิบัต t นั้นมี8ปประการมักทั้งแดนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายของเราตาสองหูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายหนึ่งนี่เป็นมักแล้วก็จิตเป็นผู้เดินมักเป็นผู้ทำมักให้เกิดขึ้นฉะนั้นทั้งปริยัพนี้ทั้งปฏิบัติ n ี้จึงอยู่ที่กายวาจาใจ ปฏิบัติปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้ที่เราได้เรียนปริยัคนั้นเคยเห็นไหมเคยเห็นปริยัติที่สอนอยู่นอกกายไหมเคยเห็นมรรคที่สอนอยู่นอกวาจาไหมเคยเห็นปริยัติที่สอนอยู่นอกใจไหมก็มีแต่สอนอยู่ที่กายวาจาใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้สอนอยู่ที่อื่นฉะนั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ถ้ารู้มันมันก็ดับตรงนี้ฉะนั้นให้เข้าใจว่าปริยัต ปฏิบัตินั่นอยู่ตรงนั้นถ้าเราเรียนสั้นๆมันก็ได้หมดเหมือนกับคําพูดของคนบาปถ้าพูดเป็นสัจะทําถูกต้องด้วยดีแล้วแม้คําพูดคําเดียวเท่านั้นก็ดีกว่าพูดที่ไม่ถูกต้องตลอดชีวิตใช่ั้มคนที่เรียนปริยัติแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับทัพพีตักแกงที่อยู่ในหม้อ มันตักแกงทุกวันแต่มันไม่รู้รสของแกงทัพพีไม่รู้รสของแกงก็เหมือนคนเรียนปริญญาตที่ไม่ได้ปฏิบัติถึงแม้จะเรียนอยู่จนหมดอายุก็ไม่รู้จักรสของครนม้นเหมือนทัพพีไม่รู้รสของแกงฉัน